โคทุมเมทะโคจโรแปลว่าความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาสามสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นวันนี้กันด้วยการสืบสารตำนานเก่าอของคนโบราณให้ฟังกันหน่อยนะครับมีกันทุกวันน่ะมีของกินไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าแล้วไม่เล่ามันก็ลืมคนโบราณก็อุตส่าห์สร้าง วรรณกรรมต่างๆเอาไว้ให้อจนกระทั่งคนรุ่นหลังนี่ไม่ค่อยได้ศึกษาสารต่อมันก็มีแต่จะลืมจะเลือนกันไปเรื่องไกลทองครับเอ่ยชื่อมานี่ใครๆก็รู้จักแต่รายละเอียดเนี่ยบางคนไม่รู้ว่ารู้แต่ว่ามีจระเข้มีคนเอาหอกไล่แทงจระเข้อยู่แค่นั้นเนี่ยที่เมืองพิจิตรครับมีถ้าจระเข้อยู่ถ้ำหนึ่งภายในถ้านี่มีแก้ววิเศษ ส่งสว่างเหมือนกับกลางวันเลยจระเข้ตัวไหนที่เข้าไปอยู่ในถ้าแก้วนั้นก็จะบันดาลให้กลายเป็นมนุษย์ได้แล้วไม่ต้องกินอะไรอิ่มทิพย์อยู่ในถ้านั่นแหละถ้าแก้ววิเศษนี้เป็นของเท้ารําไพเท้ารําไพนี้เป็นจระเข้ถือศีลอยู่เป็นสุขมาช้านานเท้ารําไพก็มีลูกมีลูกเป็นจระเข้เหมือนกันชื่อเท้าโคจร ต่อมาเท้าโคจรนี่ก็เกิดมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับจระเข้ทินอื่นคือเท้าพันตากับพระยาพันวังจระเข้ทั้งสามก็สู้กันจนตายทั้งสามตัวรวมทั้งเท้าโคจรด้วยก็เหลือแต่ลูกเท้าโคจรชื่อพระยาชลวันเท่านั้นเองพระยาชลวันก็เลยต้องอยู่กับปู่อ่าท้ารำไพก็มาพิจรารณาเห็นว่าตัวน่าแก่มากแล้ว ก็เลยมอบอำนาจให้พระยาชาลวันซึ่งเป็นหลานคอยปกครองดูแลบริวารจระเข้ทั้งหลายพระาชาละวันนี่มีเมียสองคนนะขนาดจระเข้ยังมีเมียสองคนและพระผ่าเนี่เมียหลวงชื่อนางวิมาลาเมียน้อยชื่อนางเลื่อมลายวันอาศัยอยู่ในถ้าเดียวกันนะพระยาชาละวันนี่เป็นจระเข้ที่มีนิสัยพานเกเรชอบเบียดเบียนผู้คนจับคนกินเป็นอาหาร ไม่อยู่ในศีลในธรรมเหมือนกับเท้ารําไพผู้เป็นปู่วะวันหนึ่งพญาชาลาวันอยากจะกินเนื้อคนก็เลยออกจากถ้ำกลายเป็นจระเข้ว่ายน้ํามาที่หน้าเมืองพิจิตรเวลานั้นนางตะเผาทองกับตะเผาแก้วสองพี่น้องซึ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีเมืองพิจิตรกาลังลงเล่นน้ํากับบ่าวไพร่พญาชาลาวันเห็นนางตะเผาทองก็นึกรักไอ้คนเจ้าชู้เห็นผู้หญิงสวยๆที่ไหนก็รักไว้หมดแหละทั้งๆ ท, ง ท, งที่ตัวเองมีเมียอยู่แล้วสองคน มันก็เข้าไปคาบเอานางตะเภาทองไปกลับไปถ้าของตัวนางตะเภาทองเพอฟื้นขึ้นมาก็รู้ว่าตัวตกอยู่ในความกุ้มครองของชัลวันซะแล้วอ่าโดนอุ้มมาชัลวันก็พูดจ่ากเกี่ยวพาราศีต่างๆนานานะทีนี้นางตะเภาทองก็เห็นชัลวันนี่เป็นมนุษย์รูปงามคนหนึ่งเพราะเวลาแปลงตัวแล้วรูปล่อถ้าแปลงถ้าไม่แปลงตัวแล้วไม่หรอ เกร็ดเขียวนะจะไปหล่อได้ไงแต่เป็นมนุษย์แล้วหล่อก็เลยยอมเป็นเมียชละวันซะอีคนนะนไม่รู้จะหนีไปไหนด้วยยังไงก็ไม่รอดนะ่ะฝ่ายนางวิมาลาเมียหลวงรู้ว่าระยาชละวันได้เมียใหม่แล้วเป็นมนุษย์ก็ชวนนางเลื่อมไร้วันเมียน้อยไปยังห้องชลาวันอ้าวตอนนี้สามัคคีกันได้นะ เมียหลวงเมียน้อยสามขีกันได้เพราะว่ามีเมียที่สามโผล่เข้ามาแล้วพอไปถึงก็พบนางตะเพาทองอ่าทั้งสองเมียน้อยเมียหลวงนี่เข้าไปกระแนกกระแหนะถากบ้างถางบ้างไปกันดินะทะเลาะวิวาสกันขึ้นพญาชลวรรณตื่นขึ้นมาอ่าก็ว่ากล่าวให้นางทั้งสามเลิกราต่อกันที่นี่ฝ่ายเศรษฐีพ่อของนางตะเภาทองที่อยู่เมืองบิจิต พอรู้ว่าจราเข้คาบลูกสาวไปก็คิดว่านางทะเภาทองตายให้บ่าวไพร่ช่วยกันตามหาศพก็ไม่เจอก็ประกาศให้สินบนแก่หมอปราบจราเข้พวกหมอปราบจราเข้ต่างก็พากันตามจับพัญาชลาวันกลับถูกพัญาชลาวันฆ่าตายเสียไม่รู้เท่าไหร่เนื่องจากพัญาชลาวันมีเกี้ยวแก้วไกายสิทธิ์หาผู้อาสาปราบชลาวันไม่ได้แล้วนะเวลานั้นเศรษฐีก็ประกาศให้สินบนเพิ่มขึ้นอีก บอกว่าจะใครสามารถจับพญาชลาวันได้เนี่ยจะยกนางตะเภาแก้วให้อยกสมบัติที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งให้ด้วยว่างั้นเวลานั้นมีอหนุ่มคนหนึ่งชื่อไกรทองเป็นชาวเมืองนนนนทบุรีขึ้นไปค้าขายอยู่ที่เมืองพิจิตรไกรทองนี่เล่าเรียนเวทมนต์คาถาต่างๆ ต, ตั้งแต่ขึ้นไปอยู่เมืองพิจิตรเมื่ออายุได้สิบแปดปีเรียนกับท่านพระครูที่หน้าวัดมหาธาตุ ยังกะท่านพระครูนีรักใคร่เอ็นดูสั่งสอนวิชาอาคมให้จนเก่งกล้าสามารถพอไคลทองรู้ว่าเศรษฐีเมืองพิจิตตประกาศให้สินบนแก่คนที่สามารถจับพญาชลวันได้โดยที่จะยกลูกสาวและสมบัติใด้ครึ่งหนึ่งนะก็เข้าไปปรึกษากะท่านพระครูท่านพระครูบอกเอาเลยว่างั้นว่าจะสอบดูว่าวิชาที่ตัวเรียนมาพอที่จะจับพญาชลวันได้หรือเปล่าท่านพระครูก็แนะนําบอกว่าเวทมนต์คาถาที่เจ้าเรียนไปเนี่ย พอแล้วจะไปปรับชลาวันเนี่ยแต่ว่าต้องระวังชลาวันมันมีเกี้ยวแก้วไกยสิทธิ์นะถ้าจะฆ่าให้ตายต้องแทงด้วยห อ, อกสตะโลหะสตะโลหะนี่คือสัตานี่แปลว่าเจ็ดนะสัตโลหะก็คือห อ, อกที่ทํำด้วยโลหะเจ็ดชนิดผสมกันไกรทองก็ขอห อ, อกสัตโลหะและเครื่องป้องกันอันตรายจากท่านรครูแล้วก็ไปขันอาสาเศรษฐีตามล่าชลาวัน ทั้งสองฝ่ายต่างทำสัญญาไว้ต่อหน้าเจ้าเมืองพิจิตรเพราะว่ากลัวท่านเศรษฐีเบี้ยวอ่าต่อจากนั้นไกรทองก็ได้ไปตั้งโรงบิธีที่หาดทรายริมน้ําหน้าเมืองพิจิตรขณะที่ไกรทองตั้งบิธีอยู่ชะลาวันก็นอนอยู่นางวิมาลาในถ้ำแก้วคืนนั้นประยาชะลาวันก็ฝันว่าเกิดไฟไหม้ถ้ำมีเทวดาองค์หนึ่งถือพระขันเข้าไปไปฟันตัวเอง เล้วสาวไสออกมาให้แร้งกากินแล้วก็ตัดหัวไปด้วยชละวันตกจใจตื่นขึ้นมาก็ไม่สบายใจก็เล่าความฝันทั้งหมดอ่าให้นางวิมาลาเมียหลวงฟังนางวิมาลาก็รู้ว่าเป็นฝันร้ายอ้าวก็ฝันร้ายสิหัวขาดไส้แตกทะลักออกมาอย่างนั้นจะฝันดีได้ยังไงอะเจ๊ <c oughs> ไม่ต้องนางวิมาลาหรอกเอนางที่ไหนก็รู้ทั้งนั้นแหละ ก็แนะนำให้ไปแก้ฝันกับเท้ารำไพให้ไปถามปู่ดูสิปู่ก็บอกว่าเออร้ายเจ้ากำลังมีเคราะห์ถ้าประมาทนะมีศัตรูบังอาจลงมาทำร้ายจนถึงถ้ำที่อยู่นะระวังให้ดีอ่าพญาชลวรรณก็สั่งบริวารช่วยกันขนหินมาปิดปากถ้ำไว้เป็นบังเกอร์ไม่ให้ผู้ใดเข้ามาในถ้ำได้ตั้งใจว่าจะหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในถ้จนกว่าจะหมดเคราะห์ไอย่างนั้น ฝ่ายไกรทองก็ทําพิธีอ่านอาคมเรียกพญาชลาวันเอ้เรียกเท่าไหร่เท่าไร่ก็ไม่มาสักที เ, เปลี่ยนบทใหม่อีกอํานาจเวทมนต์บันดาลให้พญาชลาวันเกลืร้อนรุ่มกลุ้มใจทนอยู่ไม่ได้พังหินปิดปากถ้าออกไปกลายเป็นจระเข้ว่ายน้ำปรื้ดปลืดปล้ดตรงไปยังหน้าโรงพิธีเห็นไกลทองนั่งอยู่บนแพรก็รู้ว่าเนี่ยนีน่ี่ตัวการศัตรูแน่ ก็โผเขาเกยแพรหมายจะทําให้แพรแตกล่มลงแล้วก็กัดเสียให้ตายแต่ด้วยอํานาจคาถาอาคมไกลทองก็ไม่เป็นอันตรายแล้วแถมยังสามารถแทงชลวรรณบาดเจ็บสาหาัสอีกด้วยชลวรรณก็รู้ว่าโดนแทงแล้วจะขืนอยู่สู้กับไกลทองต่อไปนะตายแน่ก็นหนีลงมาในถ้ำไปเล่าความจริงให้เท้ารําไพซึ่งเป็นปู่ด้วยให้ทราบขอให้ปู่เนี่ยช่วยต่อสู้กับศัตรูแต่เท้ารําไพไม่ช่วยอ่ะนะ เท่ารำไพบอกว่าเหตุทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะเองน่ะไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนอกจากไปกัดกินมนุษย์แล้ว ย, ยังไปลักพาลูกสาวเขามาเป็นเมียด้วยก่อเวรก่อกรรมนี่ชั่วมากมีเมียตั้งสองคนแล้วยังไม่พอมีดันมีขึ้นมาอีกอีกสามอีกแล้วไม่ช้ามึงก็คงเอาอีก อ, ะอ่ะอ่านึงตายตา ย, ต, ายตก็ดีเท่ารำไพว่างังเท่ารำไพโมโหอ่าหลานมีมเมียเยอะเท่ารำไพโมโหพยาชลวันเห็นว่า เทาทำภัยไม่ช่วยก็น้อยใจวิ่งกลับมาถ้าที่อยู่มาบอกนางวิมาลาเมียหลวงเวลานี้ศัตรูที่มีเวทมนต์คาถามันตามมาแล้วคงหนีอันตรายไม่ทันแน่อ่านางวิมาลาเห็นชละวันมีบาดแผลถูกแทงมาก็เรียกให้บริวารมาช่วยกัน บ, บําบัดรักษาเวลานั้นไกลทองก็ตามมาลดจุดเทียนระเบิดน้ําลงมาถึงถ้ำของพญาชละวันพวกเจ้าระเข้ทั้งหลาย หนีไปหมดเลยด้วยความกล้าหารเหลือแต่นางวิมาลาอยู่ในห้องคนเดียวอ่าไกลทองก็ขู่ถามถึงชาละวันจะบอกไม่บอกไม่บอกจะอหอกแทงได้ตา ย, ตายนางก็ร้องด้วยความตกใจพญาชาละวันได้ยินเสียงว่าถลันออกมา ท, ท, ทั้งที่ยังเจ็บอยู่อ่ะกลทองเห็นก็รู้อ่าถึงจะเป็นคนก็รู้พญาชาละวันเพราะว่ามีบาดแผลอยู่ทั่วตัวชาละวันเห็นไกลทองจับนางวิมาลาเมียหลวงไว้ก็โกรธก็เข้าต่อสู้กับกายทองแต่ว่าในที่สุดก็ถูกไกลทองจับได้ ไกลทองออกค้นหาหนางตะเภาทองลูกเศรษฐีจนพบแต่ว่านางตะเภาทองพูดไม่ได้อ่ะอ่าที่พูดไม่ได้เพราะถูกอะไรเขาเรียกรังควานเข้าสิงเป็นไงไม่รู้รังควานเข้าสิงเนี่ยพูดไม่ได้ลิ้นแข็งแล้วเสร็จแล้วก็พานางตะเภาทองขี่พยาชาลวันขึ้นมาส่งต่อเจ้าเมืองพิจิตรนะเศรษฐีผู้เป็นพ่อของนางตะเภาทองเห็นลูกสาวเป็นใบพูดไม่ได้ ก็ขอร้องให้ไกลทองช่วยแก้ไขด้วยนะเอ่ยังไงกันเนี่ยขาไปยังพูดแจฉวเจ้าแฉวอยู่นะขากลับนี่ทําไมอนั่งซืบือ้ออะไกลทองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ชละวันตายก่อนนางถึงจะหายเจ้าเมืองพิจิตก็เลยสั่งให้นําชาละวันไปฆ่าแต่ทํายังไงก็ไม่ตายเพราะชละวันมีเขี้ยวแก้วกายสิทธิ์ทุบ บ, บักบักยังไงก็ไม่ตายในที่สุดไกลทองก็ใช้หอกสัตตโลหะแทงชละวันตายนางตะพาวทองก็หายจากเป็นใบได้นะ ไปเฝ่ายเศรษฐีกับภรรยาก็จัดการยกนางตะเภาแก้วแล้วก็สมบัติให้แก่ไกลทองตามที่สัญญาไว้แล้วแถมยังยกนางตะเภาทองให้อีกคนหนึ่งด้วยอ่าอยู่มาวันหนึ่งไกลทองก็ออกอุบายหลอกนางตะเภาทองตะเภาแก้วบอกว่าจะไปไปกราบอาจารย์แต่ไม่ได้ไปอ่ะไปกราบอาจารย์ก็ต้องไปวัดที่ไม่ได้ไปหรอกนูน่นจุดเทียนระเบิดถ้ำไปยังถ้ำชะละวันเพราะว่า ไปหาใครรู้ไหมนางวิมาลาเมีแม่ของพญาจละวรรณพอไปถึงถ้าแล้วเขาไปเกี่ยวพาราศีนางวิมาลาให้สัญญิงสัญญาจะพานางไปยังเมืองมนุษย์ไปเป็นคู่ครองนางก็เลยใจอ่อนยินยอมเป็นภรรยาของไกลทองนะขนาดได้เมียมอยู่ข้างบนสองคนแล้วนะยังกลับลงมาข้างล่างอีกมาเอาอีกคนเสร็จแล้ววันหนึ่งไกลทองก็พานางวิมาลาเนี่ยขึ้นมาจากถ้า เสกคาถาใส่มวยผมแล้วไม่ให้นางกลายเป็นจระเข้ได้อีกแล้วทีนี้ต้องอยู่เป็นคนห้ามลงน้ำครั้นถึงสวนเศรษฐีไกรทองก็ให้นางวิมาราพักอยู่บนศาลาในสวนอ่าเพราะว่าตอนนี้จะคือไปได้เมียใหม่มาแล้วนี่ก็จะต้องไปเจราจากเมียเก่าสองคนนางตะเภาแก้วตะเภาทองก่อนอ่าแต่ปรากฏว่า นางวิมาลาไม่ให้ไปบอกไม่ให้ไปสองตายายเห็นเข้าก็เอาเรื่องไปบอกนางตะเภาทองตะเภาแก้วทั้งสองนางก็ปรีมารุดมายังที่เกิดเหตุเลยทั้งเมียน้อยเมียหลวงมาที่สวนเข้าทะเลวิวาตบตีกับนางวิมาลาไกลทองเข้าห้ามปรามก็ไม่ฟัง น, นางวิมาราโกรธก็เอายันที่มวยผมออกที่นี่พอเอาผ้ายันออกนะ ยันหลุดนี่กลายเป็นจระเข้ไล่กัดสองนางเนี่ยวิ่งกันผ้าหลุดผ้าลุ่ยอะทีเนี้ยนะไกลทองก็บอกนางวิมาลากลับไปยังถ้าก่อนเออเธอกลับไปยังถ้าก่อนใจเย็นๆนะไกลทองก็โอ้โลมนางตะเพาทองตะเพาแก้วจนสองนางยินยอมอ่าให้ตามนางวิมาลาไปยังถ้าแล้วก็ขอคืนดีกับนางวิมาลาแล้วก็พานางกลับมา กลับมาไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะเอานางเลื่อมไรวันเมียน้อยของชาละวันมาอีกคนหนึ่งขึ้นมาอยู่ยังเมืองพิจิตรด้วยกันทั้งมดสี่เมียด้วยกัน <c oughs> เรื่องเรื่องนี้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆเลยผมผมว่าเขาคงจะเขียนบทในที่แรกเนะี่ยเขียนบทสำหรับเล่นละครละครชาตรีทีนี้จะให้มีแต่ผู้ชายบูลางผานต่อยกันมัง่งรบกันมัง่งชงเจงจงเจงแบบลิเกมก็คงน่าเบือ่อ ก็เลยให้หนักทางด้านผู้หญิงมีด่ากันตบตกีกันจิกผมร้องกรีดกรีดโอ้ยมันแท้คนดูชอบอย่าว่าแต่ละครชาตรีเลยละครทีวีทุกวันนี้ก็เหมือนกันแหละแย่งผัวแย่งเมียแย่งมรดกใช้ปากเข้าเชื่อเฉือนด่าทอกันเพื่อเยาวาชนจะได้จดจำนำไปปฏิบัติแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป ในขณะที่สื่อมวลชนฝ่ายหนึ่งอุพยายามรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหญิงไทยในอดีตเอาไว้ให้คงความเรียบร้อยเป็นกุลสตรีสงบสงี่ยมอีกเสี้ยก็ยุให้เห็นความกล้าที่จะเถียงทาไมถูกก็เถียงเข้าไปเถียงสู้ไม่ได้ตอบแมงเลยอ่ต้องเถียงต้องสู้มันด่าเราเราต้องด่าให้หนักกับมันมันตบเราเราต้องตอบให้แรงกับมันได้ผลแล้วท่านดูฟังเวลานี้ชาตินี้ไม่มีใครยอมใครแล้วใครดีใครอยู่ สมัยก่อนคำว่าประณีประนอมสมณฉันยังมีโอกาสให้ผลแต่ปัจจุบันมีที่จบอยู่สามที่ท่านผู้ฟังหนึ่งโรงพักสองโรงพยาบาลสามศาลาสวดศพที่วัดครับพักสักครู่ครับ